ก็ขอโอกาสคณะสงฆ์และเจริญพรไม่อย่างยติธรรมอบาจงอบาจิกาที่มารวมตัวกันทับเช้าในวันนี้ทุกท่านเอาตลาดควา ม, มง่วงเหงานอนออกไปตากจิตตักใะ ปลุกจิตให้มันตื่นมายามชาเช้านีเพื่อที่จะได้รับรู้รับทราบข้อมูลของชีวิตเกิดการได้ยินได้ฟังน้อมมาทำเกิดผลสามารถที่พึ่งจิตพึ่งใจของเราเองได้ ชีวิตจะได้ดำเนินไปสู่ความสะดวกแล้วทางพน้นทุกข์รถบรรทุกนี่มันแบกน้ำหนักไหลตันนานี่มันลถทุกข์อ้อยชาวบ้านรอบๆนี้ตัดอ้อยขายกันรัฐบาลบอกให้ทุกถลายก็ได้เป็นพืชเศรษฐกิจ เกษตรกรถูกมากหลายร้อ ย, ย, ยตันถนนเอียงนิดเดียวไงท้องรับหนักเกินตัวไม่ถึงจุดหมายปลายทางชีวิตของเราถ้าแบกเอาไว้เนี่ยปัญหาต่างๆทุกข์เพราะสังคมทุกข์าะเศรษฐกิจ ทุกภการเมืองทุกข์ภการงานทุกภสุขภาพของตัวเองถ้าไม่มีวิธีการปลดปล่อยอารมณ์ก็จะตกค้างเหมือนคนแบกโลกแบกโลกทั้งใบนินทาก็ทุกข์ละสารเสริญก็สุขละมีลาภได้มาลสุขละเสียไปก็ทุกข์แล้ว มีตำแหน่งกระสุกแล้วพอตำแหน่งลดลงมีคู่แข่งทุกแล้วมีแตะสุกแตะทุก ด, ดินพ่อขางหมูตั้ะแ่เกิดถึงวันนี้สมองเราจดจำจิตใจของเรามีภาละมากน้อยขนาดไหนไปสังเกตกินไม่ได้นอนไม่หลับกลางคืนก็ว่าฝันกลางวันก็คิด มีตกกังวลมีเงินมากขึ้นแต่ทำไมมันทุกข์มากขึ้นมีตำแหน่งสูงขึ้นแต่ทำไมมันทุกข์มากขึ้นไปไหนมาไหนก็สะดวกแต่ทำไมมันเหมือนกันไม่รู้จะไปไหนหาช่องหาทางออกไม่เจอเก็บตัวอยู่คนเดียวเหงาว้าเวขี้น้อยใจ มันบอกถึงเราไม่เคยรู้จักวิธีปฏิบัติธรรมไม่รู้จักวิชากรรมฐานไม่เคยได้ยินได้ฟังจากผู้รู้จากกรัลรยาณมิตรไม่มีศรัทธาไม่มีการทําใจให้แยบคายไม่เคยรู้จักเรื่องสติปัฏฐาน4ี่ไม่เคยเห็นทุกข์ไม่รู้จักทุกข์ว่าทุกข์คืออะไรคิดว่าทุกข์ไม่มีตังใช้ เกียดทุกข์รูปเต้าคนอยู่รอบตัวไม่ศรัทธาเชื่อถือเราไม่ให้เกียรติเราดินทาเราเอาสิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์ที่จริงเรามีร่างกายมันก็ทุกอยู่แล้วตน้นหัวจะบวมันเป็นก้อนทุกข์ในพระวศสนาเรียกว่าขันห้าขันห้าขันที่หนึ่งคือรูปขันนี่มันคือก้อนทุกข์เลย ต้องก็พิบตาต้องหายใจต้องหลับต้องนอนต้องหนาวต้องร้อนต้องเจ็บต้องเมื่อยต้องปวดต้องป่วยปฏิบัติธรรมนี่นั่งก็โอยลุกก็โอยทำวัดเครื่งจะมองก็หาวแล้วหาวอีกทรมานตันั่งเล่นไพ่อะไรทั้งคืนไปเที่ยวกินเหล้าเที่ยวเตะเล่ร่อนพัทยาเนี่ยทั้งคืน เราต้องมารู้จักจิตใจของเรามารู้จักร่างกายของเรารูปขันรูปธรรมรู้จักโลกทั้งใบนี่แหละว่ารูปธรรมวัตถุ์คืออะไรจะได้ใช้เป็นอุปกรณ์ในการดํำรงชีวิตในการดําเนินชีวิตร่างกายของเราท่านั่งท่าเดินท่ า, ายืนท่านอนเป็นยังไง เราต้องมาฝึกมหาดมันจากจาบไปหาละเอียดให้มันมีวินัยหลังเช่นศีลที่เรารักษากันในการมาปฏิบัติธรรมประจำเดือนในคราวครั้งนี้เพื่อฝึกจิตของเราฝึกกายของเราให้มันนั่งให้มันเดินให้มันยืนให้มันนอนอย่างมีสติถึงเวลากิน ค่อยกินตอนเช้าให้มือหนึ่งตอนไม่เกินเที่ยงเรียก ว, วิการและโภชนาฝึกมันฝึกการหลับการตื่นนอนไม่เกินสามทุ่มหลับซะตื่นขึ้นมาเนี่ยตีสองีสามมาเตรียมตัวทำวัดตอนตีสี พร้อมกันฝึกมันเป็นคนที่ใช้เวลาอาบประโยชน์จากเวลาเพราะว่าเดี๋ยวท้ายสุดก็หลับตาตายแล้วจากโลกใบนี้ไปก็ไม่ได้เห็นโลกไม่ได้ใช้ชีวิตกับโลกนี้ต่อไปเพราะนั้นจึงตื่นรู้ให้มากเท่าที่จะมากได้เพื่อจะทำกิตของเราทำจิตใจของเราให้มันอยู่เนเกิดเนแก่เนเจ็บเน้ตาย ฝึกกายเพื่อให้ฝึกจิตมันง่ายขึ้นถ้าฝึกกายเราฝึกได้ฝึกใจใจมันก็อยู่กับกายนี่แหละกายกับใจอยู่ด้วยกันส่วนจิตใจของเรามันมีสัญญาความจำได้หมายรู้มีเวทนามีอาการต่างๆเกิดขึ้นมีสังขารการปรุงการแต่งมากมายแล้วกแล้วก็มีวิญญาณมีจิตมีวิญญาณสามารถรู้ได้ ตาก็รู้ได้หูวก็รู้ได้จมูกก็รู้ได้ลิ้นก็รู้ได้ร่างกายก็รู้ได้สมองคิดนึกปรุงแต่งรู้ได้ถ้ามันรู้ไม่ได้ก็เรียกวิการอาการไม่ครบสามสิบสองจิตใจไม่เป็นปกติจิตใจไม่เป็นปกติเพราะอะไรเพราะว่ามันชอบหลงแทนที่มันจะรู้รู้ถูกมันหลงหลงว่ารู้ถูก หรือว่ามันหลงจนกระทั่งไม่รู้เป็นราคาเป็นปฏิฆะเป็นการให้ราคาราคาคือราคาเกิดอาัตราตัวตนขึ้นมามากมายแล้วเกิด ป, ปฏิฆะคืออาการที่ไม่ให้ราคาอาการหงดหงิดอาการไม่ถูกใจความหงดหงิดเล็กน้อยก็ลามไปถึงโทสะโมโหโทโสความโกรธ ขึงเครียดผูกโกรธบุหกิตนิดเดียวนะถ้าหลงเข้าไปในความบุหกิตปรุงแต่งนะกลายเป็นความโกรธมโหลานเลยทำลายโลกได้ถ้าเป็นราคะไปให้ราคาทางตาทางหูก็กลายเป็นความโรคได้นั้นเราจะมีความสุขความทุกข์ก็เกิดมาจากเนี่ยราคาปฏิกะนะเพราะความไม่รู้แท้ ไม่รู้แล้วก็รู้ไม่ถูกเราก็จะมาฝึกในเคลื่อนไหวรู้สึกให้มันรู้แล้วก็รู้ถูกตามหลักของวิชากรรมฐานที่บรรพบุรุษว่าองสมเด็จสัมมาเจ้านะ่าสองพันหกร้อยปีนะค้นพบมันก็ยังเหลือกิ่นไออยู่เราก็จะไม่ต้องเสียเวลามาได้ยินได้ฟังแล้วน้อมมาเชื่อไม่เชื่อก็ต้องทำ มันเป็นวิชาบังคับไม่ใช่วิชาเลือกเวลาตายเนะี่ยบังคับไปตายทุกคนตอนนี้มันกำบังคับให้หายใจอยู่ถ้าอยากมีชีวิตไม่อยากหายใจก็ต้องหายใจบางคนไม่อยากหายใจนะก็เลยเอาเปืนมายิงหัวตัวเองทีหนึงเอาเชือกมาผูกคอตายทีนึงกินยาตายทีหนึ่งบางทีก็น้องๆ้องข อ, องการฆ่าตัวเองกินเหล้าสุบุเรียนะ ไปหาสิ่งเสพติดกล่อมตัวเองมันก็เลยเป็นการปลุกตัวเองให้ตื่นโดยใช้อุปกรณ์123หรือว่าวัตถุ1นึ่งสาแล้วก็แก้แบบแก้ไม่ถูกด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะถ้าแก้แก้ให้ถูกต้องใช้วิชาหลักการแพทย์หลักการแพทย์เนี่ยเอาสิ่งไม่ดีมาทําให้มันดีเช่นเป็นมะเร็งปวดมากๆเข้ากระดูกเจ็บ เอามาฟีนมาฉีดให้นั่นก็เป็นประโยชน์อีกแต่ถ้าอยู่ดีๆไปฉีดมาฟีนเนี่ยนะติดคุกเสพยบาบ้าติดคุกคนค้าตายคนกินติดคุกหรือว่าไปบาบัดกันช่วยเหลือกันขนาดนั้นประเทศไทยนะเราก็จึง มาลองดูรูปธรรมนามธรรมของเรากายใจของเราวิชากรรมฐานนีคือให้เคลื่อนไหวรู้สึกตัวตั้งในรูปแบบก็คือพลิกมือรู้สึกเดินโย ก, กรมรู้สึกในรูปแบบรับรู้ลมหายใจรู้สึกในรูปแบบวิธีการอื่นๆเต็มโลกเลยมีหลายวิธีการมากที่อ้างว่าปฏิบัติแล้วทุกบันลดเราก็ไปจีมเอา อย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็ไม่ต้องปฏิเสธอย่ามาที่นี่แล้วก็ลองมาชิมดูบางคนก็มีศรัทธาและมีความเชื่อแล้วมาไหว้ครั้งบางคนก็ศรัทธาจากสื่ออินเทอร์เน็ตเซิร์ชกขไปใน Google แลนะ้วเห็นเออภาพมันสวยดีวัดคงจะอยู่แล้วว่าสงบวิธีการปฏิบัติก็คงจะง่ายเพื่อนก็บางทีแนะนาให้ข้อมูลมา แล้วเราก็มานั่งอยู่ที่นี่บางคนก็อาจจะถูกบังคับมาการไปทำแบบนี้ไม่เกี่ยวกับถูกบังคับไม่ถูกบังคับเกี่ยวกับว่าเรารู้สึกตัวหรือไม่อันนี้แหละมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทํากันเจ็ดวันตอนนี้ผ่านไปแล้วสองวันอย่างหลังเลสงสัยว่าละลาละ ล, ะลังหันเหรียหันกวางอยู่หรือไม่ มันก็จึงจำเป็นต้องได้ยินข้อมูลชี้นำสั้ากระแสให้เราได้เห็นความจริงมาชีวิตของเราเนี่มันหลงง่ายรู้ได้ยากจนพระเจ้าเปรียบเทียบไปว่าคนที่จะรู้แล้วก็ไหลไปสู่มรรคผลผ น, นิพพานน่ยนะมีเท่ากับเขาของโคเขาของอวัวมีสองเขา คนที่จะไหลไปสู่ความเสื่อมไปลองนรกเนี่ยคือมีแต่ความทุกข์ยากลำบากในชีวิตเนี่ยเท่ากับขนของโคขนขนโคขนควายมันเยอะเขามีแค่สองเขานะฮะคือการเปรียบเทียบขององคร์รสมเด็จสัมมาวเจ้าตั้งแต่สมัยโบราณ น, น, นั้นมันมีอยู่ในคัมภีร์ของศาสนาพุทธเราเคยได้ยินได้ฟังแบบนี้หรือไม่ และท่านก็บอกว่าการเกิดนี่เกิดยากมากการเกิดได้ชีวิตมาเป็นมนุษนย์นี่ยากยากแสนยากเปรียบเหมือนกับเต่าตาบ่อตัวหนึ่งอ่ะมันอยู่ในมหาสมุทรเสร็จแล้วร้อยปีมันโผล่ขึ้นมาจากมหาสมุทรมีแอกพอหัวเต่ารอดได้ลมก็รุนแรงทะเลคลื่นก็ซัดไปซัดมา ลมพัชวาาเหนือไปใต้ออกไปตกล่างไปบนบนไปล่างต า, ตาตาบอดโผรขึ้นมาหัวตรงกับบ่วงบาดพอดีตรงกับแอกพอดีเปรียบเทียบไว้มันยากมากน้ำตาที่เราเกิดมาในโลกใบนี้ที่ไม่ได้มา เ, เป็นมนุษย์เร้องไห้เพราะถูกฆ่าบ้างร้องไห้เพราะว่ามีภัยบ้างเจ็บปวด หิวอาหารกระหายน้ำรู้ว่ามีภัยถูกตามล่าเป็นห่วงลูกโซ่ของอาหารน้ำตาที่เราร้องไห้นะ่ะไม่น้อยกว่าสมหาสมุทรรวมกันมันเกิดมากี่พบกี่ชาติกันแล้วนะภูเขาพาสุเมนกระดูกของเราที่ตายกองรวมกันแล้วนะ ภูเขาปาสุเมรน่ยมันเล็กกว่าเราคิดดูนะผู้ปู่ย่าตาทวดของเราเนะี่ยพอตายเผานะ่ะกระดูกก็เหลือนิดเดียวเดินเนี่ยนะห่อผ้าไว้ก็นี้กว่าจะเทียบเท่ากับภูเขาอะนะเอาแค่ภูแลนคาเนะนี่ยที่เนี่ยเรามาเนะ่ยก็เรียกว่าภูโค้งและภูแลนคาเป็นเทือกเขาลูกเกือกมา้าเป็นเกือกมา้า <c oughs> แลนก็คือตัว ตัวเฮียนะจะเป็นตัวเฮียชนิดที่มันอยู่บนต้นไม้ไม่ได้อยู่ในน้ําค็ น, นี่ในพานก็ไปยิงแล้วมันตายคาต้นไม้คาภูอันนี้ภูเขาเนะี่ยในานไปยิงตัวเฮียตายอยู่บนต้นไม้มันคาครบไม้อยู่มันลงมาไม่ได้อันนี้เปรียบเทียบว่ากระโดดของเราเนะี่ยมันมันเกิดมากี่พบกี่ชาติแล้ว กว่าจะได้มาเป็นบันเนี้ยมาเจอเรื่องสติปัฏฐานสี่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราแล้วเป็นแรงอธิษฐานจิตเป็นเรื่องของบุญวาสนามันพามาบุญมันพามาไม่ใช่มีใครก็บังคับมาหรอกเป็นวาสนาของเราเองที่เรียนรู้วิชานี้แลวต่อไปนี้จะได้มีความเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็มีความสำเร็จ เพราะเรื่องของมรรคผลนิพพานที่องค์สมเด็จสามมารเจ้าเปรียบเทียบ ว, ว่าเราจะเดินทางไปเนี่ยแค่เขาโคลท่านหนึ่งจำนวนน้อยจริงๆมันก็จริงนะมนุษย์ในโลกนี้เจ็ดพันกว่าล้านคนแต่ว่ามีคนมานั่งปฏิบัติอยู่ที่เนี่ยแค่นี้เองจำนวนน้อยๆลรับเพิ่งเลิกหรือว่าบางที่ก็ยังไม่เลิกตีห้าโตลุงก็มีแถบพัทยาแถบภูเก็ตนยโตลุงคนไปแต่ละที่เนี่ยมันเป็นพัน ตายกันทีก็เกินร้อยอยู่แล้วเวลาโดนไฟไม่ผรักเงี้ยเกินเพราะฉะนั้นการมาวัดป่าส่วนตัวเนี้ยเราต้องเก็บเกี่ยวประโยชน์ให้มากที่สุดได้ว่าการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวตอนนี้เราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวอยู่ไหมหรือว่าโมตะนั่งง่วงเหนาหอนอนอยู่เปรียบเทียบตรงนี้เลยจิตมันถูกปลุกตื่นขึ้นมาหรือว่าจิตยังอยู่ภายใต้ของอารมณ์ ที่ตกค้างอยู่ภายใต้ของนิวรธรรมที่ยังทับถมอยู่ตามนิสัยความเคยชินเก่าๆนะเรามักจะมีนิสัยให้ความเคยชินเก่าๆนะเช่นเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านจะง่วงง่ายนะเป็นคนที่ไม่เอาไห น, นจะง่วงง่ายจิตเน่มันจะซึมรือจิตที่มันทางานหนักมาคิดมากพอมาปฏิบัติออกจากความคิดจะง่วงง่ายนะบางทีนะ มันก็เป็นประโยชน์ถ้าหากว่าเรามีการสังเกต ร, รูปน้มขันห้างของเรารูปธรรมนามธรรมาดีๆพยายามแบวกออกมาหาความกระทบการสัมผัสที่เราผลิตขึ้นมาแต่ละขณะบางทีเอาเนิ้วมากระทบกันมันก็เป็นความรู้สึกตัวบางทีเราตั้งใจฟังเสียงมากระทบที่หัวก็เป็นความรู้สึกตัวบางทีลมหรือความเย็นมากระทบที่ตัวเรามันก็เป็นความรู้สึกตัว พอรมีสติมากๆความคิดแวบบมันคิดเราก็รู้สึกตัวรู้วจิตมันปกติอยู่มันธรรมดามันผ่อนคลายมันสบายเราก็รู้สึกตัวนะเพราะฉะนั้นฝึกใหม่ๆเนี่ยนะความคิดทุกชนิดอย่าไปสนใจเห็นไหมเมื่อกี้เราทำวัดเสดม์ถ้าเรามีความรู้สึกตัวอยู่กับปากกายเคลื่อนไหวใจรู้นะตาดูหนังสือ พอดูปับ๊บมันก็กลับมาหาความรู้สึกที่ตัวตัวตากระทบเนี่ยตัวอักษรเนี่ยมันมันละเอียดยิ่งหูเนี่ยมันยิงอย่างละเอียดหูเนี่เวลาเราใกล้ตายนะเวลาได้ยินคนพูดเนะี่ยมันชัดที่สุดเวลาได้ยินเสียงเนะี่ยมันชัดที่สุดแต่ว่าตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปดูมันตรงนั้นเรากลับมาผลิตความรู้สึกในการเคลื่อนการหวแต่แลนะขณะ การทำวัดสวดมอนในปากก่าขยับรู้สึกเนี่ยมันชัดที่สุดจิตมันจะกลับมาสู่ปัจจุบันทันทีอย่างงี้นะแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะไม่ต้องฟังก็ไดนะ้ตอนเนี้ยนะพูดแล้วก็ผ่านไปพูดแล้วก็ผ่านไปลูกก็ได้ไหมลูกก็ได้เสร็จแล้วเรากลับมาเคลื่อนมือรู้สึกตัวเพราะนั้นผู้ใหม่นักวนนะสิ่งที่ควรทำที่สุดคือพยายามเคลื่อนไหวในรูปแบบเข้าไว้ฝึกจิตให้คุ้นเป็นล่องเป็นช่องเป็นทางไปเลย กับการเคลื่อนการไหวรู้ตึกตัวที่ผลิตขึ้นมาแบบ14บจังหวะเรียกว่าแนวหลวงปู่เทียนจติตตสุโปรเป็นการเจริญสติฝึกหัดเจริญสติแบบแนวเคลื่อนไหว14บจังหวะมันก็จะไปตรงในพระสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรหมวดที่เรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานในหน้าที่เรียกว่าสัมปชัญญะปปะจะป ร, ะระบับที่เรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อม สติคือการเลืกรู้รก็นี้รู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ล่อจิตของเราเนี่ยล่อการเคลื่อนการไหวเป็นการล่รอล่อหลอกจิตของเราเนี่ยให้มันมาสู่มรกสู่ผลหลอกให้มันมาสู่ปัจจุบันขณะเพราะว่าอาดีตอนาคตเนี่ยมันคือความคิดที่มันเก็บเอาไว้ในจิตของเราประทับใจจนถ้ามันตกค้างอยู่ บางทีมันลอยมีดกรีดบนหินเลยนะนานเท่าไหร่ก็ไม่ลืมตายก็ไม่ลืมไม่เผาผีโกรธมันเหลือเกินี้ยลอยกรีดอยู่บนหินนานมากควาจะลบเลือนไปบางทีก็หลายพบหลายชาติมากเราก็ต้องฝึกสติรู้สึกตัวครั้งหนึ่งก็ลบไปพบหนึ่งชาติหนึ่งความคิดหนึ่งมันก็เป็นพบหนึ่งชาติหนึ่งวันทั้งวันเราคิดทั้งวันไม่น้อยกว่าหกหมื่นเรื่อง เพราะนั้นหกหมื่นภพชาติทีเดียวเนียชีวิของเราถ้าเผลอจากความรู้สึกตัวไปเนี่ยคิดแล้วคิดอีกเรากลับมาแล้วกลับมาอีกแล้วปฏิบัติธรรมปฏิภาวะกลับกลับมาหาธรรมชาติที่มันจะเป็นธรรมะพาสู่มรรคผลนิพพานต่อไปอย่างเงี้ยก็คือความรู้สึกตัวพอเราเคลื่อนมือรู้สึกตัวเราก็จะเห็นแล้วสติมันก็จเจริญเติบโตว่องไวเป็นไวพิปัติภานมากขึ้นเมือนมันรู้ กลายเป็นรูปธรรมมันก็จะเห็นจิตใจสัมผัสจิตใจเป็นนามธรรมตรงเนี้ยมันก็จะได้หลักของวิชาสรรมถานเบื้องต้นที่สุดเลยเหมือนกับการ e อ t r a n c e เเนี่ยนะ own it, own it, นะนะเราก็กพเนะี่ยเราก็ไปสอบนะสอบเสร็จแล้ว ม, มันสอบได้แล้วเนะี้ยคะแนนได้แล้วเจ็ดพันะ 7, กว่าก็ยื่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนีนยะนะ การนี้ความรู้สึกตัวของเราเหมือนกันเมื่อทําถึงมันถึงทำเมื่อเจริญสติสติมันเจริญเราเจริญสติฝึกหัดสติในตัวมันก็เจริญเติบโตสติหมายถึงการระลึกรู้มาเลิก ร, ร, รู้ได้ว่องไวมากเลยเมื่อก่อนมันรู้ภายนอกเป็นคนหลงโลกไงหลงทางวัตถุกรรมคุณการมกินเกลี่ดต่างๆตาก็จะไปดูรูปหูจะไปฟังเสียงจมูก็จะไปดมกลิ่นลิ้นก็จะลิ้มรส กายก็สัมผัสสมองก็จะคิดนึกปรุงแต่งไปตอนนี้เราฝึกมันให้กลับมานี้มานี้มาตั้งมั่นมีสมาธิอยู่กับความรู้สึกในการเคลื่อนไหวตรงเนี้เราฝึกเบื้องต้นเราก็จะเริ่มเห็นแล้วอ๋อบางทีก็มีสิ่งที่มาขวางกั้นไม่ให้เราถึงความรู้สึกตัวเช่นความวุ่นนี่แหละตัวแรกเลยมาให้เราได้เก่งเหมือนกับการออกกําลังกายแล้วก็ต้องยกดัมเบลยกของหนัก ยกและร่างกายสุขภาพเราก็แข็งแรงขึ้นมาก้ามโตขึ้นมาความง่วงมันมากับ เ, เราเนี่ยจิตใจมันแข็งแรงมันเข้มแข็งทะลุความง่วงมาเบื้องหลังความง่วงมีความไม่ง่วงมันง่วงแล้วไม่ไปนอนก็มีความอดทนมีการโตตอบทักท้วงตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาเล ย, เนยในระเบียบการปฏิบัติธรรมเป็นเบื้องต้นทํากลางที่สุดต่อไปเพราะนั้นให้เราตัดปริพลดความกังวลไปเลยเวลาปฏิบัติเช่น คิดถึงห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงทรัพย์พวกนี้คิดถึงหมู่คณะห่วงหมู่คณะคิดถึงญาติพี่น้องคิดถึงการงานที่ค้างอยู่ยังทําไม่เสร็จหรือว่าจะต้องไปทําต่อไปคิดถึงการเรียนคิดถึงว่าเราควรจะไปเรียนวิชาอื่นที่ไหนเมื่ อ, อไหร่ต้องอ่านหนังสือพัะตรปิฎกหรือไม่อ่ไปวัดนั้นวัดนี้วัดนู้นต่อไป อันนั้นเป็นความกังวล น, นั่นแหละคิดถึงว่าเราจะต้องห่วงสุขภาพเนี่ยมาปฏิบัติที่วัดนะมันไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้กินยาตรงเวลามันไม่สะดวกห่วงตัวเองมันจะตายไปซะก่อนมันจะไหวไหมเนี่ยอะไรประเภทนี้เป็นความกังวล น, นั่นแหละอย่าไปสนใจมันนะอย่าไปห่วงใยมันให้กลับมาหาความรู้เนื้อรู้ตัวตัวนี้บางทีมีครูบางคนนะ ก็มาที่นี่ก็ก็มาฝึกอยู่สองวันสามวันก็มาถามก็คุยกับตมากับหลวงพอว่อว่าหลวงพ่อเขียนตอนนี้ถ้าไม่ได้มานะมีหลวงพ่อเขียนเป็นประธานทรงที่นะแล้เวเบลก็มาถามเนี่ยหนูยกมือสร้างเขาวาเนี่ยแล้วนี่หนูจะทําไงมันจะใช้นี่ได้ ย, ยกมือสิบสี่เขาว่าอา้าวแล้วคุณมาทําไมเนี่ยใครใช้คุณมา ให้มายกมือไ ป, ไปนั่งคิดเรื่องปัญานี้สินอีกคนหนึ่งสามีหนูตายนะแล้วหนูจะเลี้ยงลูกได้ยังไงนะยกมือสิบี่จังหวะนั่นนะไปหาเรื่องคิดแบบนี้ยบริโภคทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นใครเอาลูกมาด้วยนะอย่างนี้ยปล่อยเขเลยนะมันไปสนใจมันเลยต่างคนต่างเกิดต่างคน ต, งต่างตายแตนะการเกิดเนี่ยมันมีการเกิดแบบชราพุทชะอันทชะสังเซรชะโอปปาติกะการเกิดในคัน การเกิดในใครโอ้วเหมือนนกคนะการเกิดในน้าเมื่อกแอาซุจิการเกิดแบบโอปปาติกะตัวนี้สําคัญก็คือมันผุดเกิดขึ้นมาแบบไม่มีตัวตนนะเรามักจะคิดกันแบบสัมเวสีคือคิดไปคิดไปคิดไปคิดไปแบบเหมือนกับภาษาที่หลวงพ่อม่อเขียนท่านพูดว่าสัมอนอยากคิดก็คิดคิดอะไรก็ได้สัมอน หลวงพ่อเขเียนเรียกว่าโสเพณีจิตจิตโสเพณีเป็นไม่ยอมมันอยากจะคิดอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาฝึกมาหัดให้มันกลับมาหาความรู้เนื้อรู้ตัวจิตจะคืนสู่สภาพว่าเป็นปกตินะตรงนี้ราเราจะได้ใช้ชีวิตใช้ชีวิตมีกายก็ใช้กายเกิดคุณค่ามีจิตมีใจก็ใช้จิตใจเกิดคุณค่า มันก็มีสติปัญญาเนี่ยนะเป็นแสงสว่างเป็นธรรมะที่เป็นทางสว่างเราก็จะได้เดินไปสู่ธรรมสู่ศีลสู่ธรรมสู่สติสู่ปัญญาที่มันละเอียดลุ่มลึกไปสู่ความพ้นทุกข์ในต่อไป <c oughs> ไม่ต้องห่วงเราอยู่ที่นี่นะถือว่าเป็นบ้านของเราเป็นสปายะ <c oughs> วัดป่าสุโตเป็นครอบครัวสาธิต ท, ที่จะมากี่ร้อยกี่พันคนก็ได้ มื่มารู้ความรู้สึกตัวแล้วเป็นคนเดียวกันไม่ได้แปลกแยกอะไรเลยทำไม่ได้มาอยู่ความรู้สึกตัวเลิก ร, รู้ความรู้สึกตัวต่างคนต่างคิดมองออกไปข้างนอกคนนั้นทําอย่างนั้นคนนี้ทําอย่างนี้ไม่น่าจะทําอย่างนั้นไม่น่าจะทําอย่างนี้นะมันจะกลายเป็นความอ ป, ปรีจันทร์ออกไปกลายเป็นลักษณะของมิกสันยีนะคนไทยทะเลาะกันตีกันเป็นโลกาวินาศน เป็นไฟบรรเยการเผาบ้านเผาเมืองพวกนี้เนื่องจากไม่รู้สึกตัวเอเรามีวิชารู้สึกตัววิชากรรมฐานเมื่อกลายเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องของสติศีนสมาธิปัญญาเป็นเรื่องของทุกขเหตุแห่งทุกกันดับทุกขวิธีการก้าวล่วงออกมาจากความทุกข์เป็นเรื่องของสติปัฏฐาน4ี่นี่แหละมีสติโยคาย อยู่นานๆมันก็รู้จักกายมันก็เห็นกายดูกายเป็นมีสติเห็นจิตนะมันอยู่กับจิตนานๆมันก็รู้จักจิตมันมันเห็นจิตดูจิตเป็นมันก็เกิดปัญญาญาณขึ้นมาเพราะฉะนั้นอยากรู้เรื่องอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นนานๆอยากรู้เรื่องกายเรื่องใจเรื่องชีวิตเรื่องมรรคผลนิพพานก็ต้องมาเห็นกายเห็นใจตัวธรรมะเนี้ยก้อนธรรมะเนี่ยให้นานทียิบะ รู้ให้ถูกต้องรู้ให้ต่อเนื่องมันจะมีผลเกิดขึ้นมายาเมื่อวานนะคนจีนนะมาเมืองไทยพูดทำมาแบบอาหารมากเลยที่เนียสอนกันผิดหมดมลพร้อมเขียนสอนถูกอยู่คนเดียวมีหลวงปู่เทียนนะสอนถูกอยู่คนเดียวทุกคนนะสอนตัวเองให้ถูกโดยการกลับมารู้สึกตัวถ้าเรารู้สึกตัวตรงนี้ตัวเองสอนตัวเองอยายให้คนอื่นมาสอน ต่อให้พระเจ้ามาที่นี่เราก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้หรอกถ้าเราไม่ฝึกสติฐานสี่ไม่กลับมารู้เนื้อรู้ตัวอย่างตรงไปตรงมาไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองไม่มีความขยันมีความอดทนไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำํำความกตันอยู่รู้คุณแผ่นดินรู้คุณประเทศชาติรู้คุณของกายใจของเราไม่มีมันก็ไม่สามารถจะไปสู่ความสําเร็จได้เลย เราจึงต้องมารู้เนื้อรู้ตัวขยันเข้าไวนะ้มีความขยันทําให้ถูกต้องทําให้ต่อเนื่องนะหายใจรู้สึกตัวได้กับพิษตาก็รู้สึกตัวได้ผมมาสัมผัสนะแถวคอก็รู้สึกตัวได้ที่พูดอย่างนี้เคยทํามาก่อน<ม>เคลื่อนไหวนั่งเดินยืนนอนเฉยอการรู้ในรูปแบบแว่าเก็บตกนะไปไหนมาไหนให้รู้สึกตัวเข้าไว้ อย่าพยายามสนใจคนสองคนขึ้นไปให้สนใจตัวเองกับตัวเองเรามาฝึกเอาตัวเองเป็นกะระยามิตรเป็นเพื่อนของตัวเองถ้าเราไปพึ่งข้างนอกเนี่ยในพระศาสนาบอกเลยว่ามันไม่ใช่พระศาสนาองค์สมเด็จสัมมาจ่าสอนไว้ให้พึ่งตัวเราเองเรียกว่าอาตายัยหิอัตโนานาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเวลาตายเนี่ยเราไม่ต้องไปหาพึ่งคนอื่นเลยเนะ แล้วึกถึงพระพุทธนะแลึกถึงพระธรรมนะแล้วลึกถึงพระสงฆ์นะสัมมาละหังนะสัมมาละหังหลายคนจะตายพูดเลยสัมมาละหอยสัมมาละหอยมันเป็นนึกถึงหอยที่เองจับมาแล้วก็สับก้นหอยขมหอยโคลงต่างๆเป็นงอมหอยไอ้นี่ก็สัมมาละหังสัมมาละหังไอ้นี่ก็สัมมาละหอยสัมมาละหอยอยู่นั่นน่ะ ข่าววัวข้าควายเวลาตายมันก็ร้องเหมือนวัวเหมือนควายไปทําอะไรมาคตินิมิตมันก็เกิดมาอย่างนั้นตอนอาสัญญกรรมเพราะว่าอาจินตกรรมทําอะไรมามามีอยู่คนหนึ่งเคยฝึกไมเคยหาดเจอพระนี่ใส่หน้าหนีเลยอัดมาต้องไปเยี่ยมมาที่เชียงใหม่นะก็คือเจดีของจังหวัดพะเยามีโรงงานบ่มใบายาสูบอา น, นิสงของการทํางาน โรงงานใยาสูบเพื่อหาเงินล่ํารวยเป็นเศรษฐีแต่ผลได้ก็คือปอดของตัวเองนําเป็นพังเพิน่นี่ไม่ได้สูบบุหรี่นะแต่ว่าได้กลิ่นของนิโคตินนะตั้งแต่ทำโรงงานมันตั้งแต่เด็กๆทํางานโรงงานใบยาสูบแล้วก็มีโรงงานบ่มยาสูบในท้ายสุดแล้วก็ไม่เคยทําบุญทําทานมีเงินที่ไหนมีทรัพย์ที่ไหนไม่เคยบอกลูก รู้ทำางานธนาคารเก่งบัญชีรู้เรื่องการเงินไม่เคยบอกพอใกล้ตายไปไงไปเจอที่โรงพยาบาลสวนดอกในห้องอีวิวเพอขอกระดาษขอปากกามาเขียนอยากหาพระอยากทำบุญเอาเงินไปทำบุญในน้นตอนนี้ขายที่ยี่สิบล้านนํามารักษาตัวเองบอกกับโลกบอกตรงนั้นนํำได้ไประโยชน์อะไรตอนดีๆทำไมไม่บอกกันนะไม่รู้จักเลยบุญเป็นยังไงแล้วตายแล้วไงห่วง ลักลู่ห่วงผูกคอแม่พอมพอผูกแขนสมบัติแก้วแหวนมันแว่นผูกขาสัเพเหรอ เ, เลยยึดไว้มัดไว้ให้ดูตายไปอะไรไม่ได้เลยเงินในปากก็ยังไปไม่ได้เงินปากผนะีให้เป็นนุสติเตือนเราเป็นมรณะนสติเตือนเราเป็นสติที่ควรระลึกถึงความตายอยู่ทุกๆเวลาเลยนะชีวิตประมาทไม่ได้ตรงนี้นนะก็มีสัเพเอของ คณะวิจิตสิลป์มชมาหาเลยเชียงใหม่ไปชนะเลิศปฏิมา ก, กรรมกลางแจ้งเป็นทัศนศิลป์ที่สามารถไปเผยแผ่ได้ทั่วโลกเลยะเด็กโยชน์นี่เคยเป็นสัพเพเหรอแต่เด็กๆนะีวิชาสัพเพเหรอสัพพบุตรเนะียอย่าไปดูถูกสัพพบุรุษหมายถึงผู้มีความรู้ใช่ไหมสัตตบุรุษวินโูชนปัญญาชนหรือ ว, ว่าพระหูสูตรอริยชนพวกนี้น การยานะปุตชชนนพวกนี้ควรครบที่สุดไงก็พาไปสู่มักสู่ผลทําให้เราได้เห็นความจริงกันเนี่นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นเพื่อนของตัวเองโดยการสร้างความรู้สึกตัวเวลาที่เหลือเนี่ย ม, มาทําอะไรแล้วกลับมาหาตัวเองกันดูกายดูใจอยู่เสมอนะเพราะนั้นเราเป็นครูสอนตัวเองกันคนอื่นนะเป็นเพียงแค่การยามิธเท่านั้นนะเพื่อภายเราได้พบกับการยานธรรม แล้วเราก็น้อมนำเข้ามาใส่จิตใส่ใจของเราโ เ, เพราะวิชาในศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้ละเชื่อละละหรือยังสอนให้ทําดีทำหรือย่างถึงพร้อมหรือยังแล้วก็สอนไทยก็คือให้ชําระจิตให้บริสุทธิ์ดีก็ออกไปก่อนไม่ดีก็ออกไปก่อนเพราะฉะนั้นมาที่นี่นะคิดดีเกิดขึ้นมาก็เอาออกไปก่อ น, ไ ม, อออ ไ, อนไม่ต้องไปสนใจใส่ใจมันโครงการมันจะเจ๋งขนาดไหนมันปรากฏขึ้นมาขณะปฏิบัติอย่าเพิ่งอภิปกา กระดาษมาจอดใจเอาทิ้งไปก่อนหลือแค่ความบริสุทธิ์ล้วนๆของจิตที่เกิดจากการสัมผัสเป็นความบริสุทธิ์ตัวนี้มันเป็นวิปัสนาญาณตั้งแต่เบื้องต้นละ ว, วางกายวางใจให้ถูกต้องตัเบื้องต้นเลยกายเนี่ยผ่อนคลายมาหน่อยใจก็กลางๆทําแบบเล่นๆแต่รู้จริงๆเป็นเทคนิคเบื้องต้นของเราเอาทุกคนลองท่องมหาติฐานสูตรพร้อมๆกันหน่อยใช วิชาที่เราจะต้องนำมาทำพูดว่ายัางไงอันนี้เป็นลักษณะฉลากยาเป็นแผนที่เมื่อเราเคลื่อนไหวลงไปจริงๆเป็นการปฏิบัติทำเป็นการปฏิบัติการมรรคผลนิพพานมันขึ้นอยู่กับตัวปฏิบัตินี่แหละอันนั้นก็เห็นว่าพูดมาสมควรก่เวลาแล้ว ก็ขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านที่มารวมตัวกันทำวัดเช้าในวันนี้ก็เอาสิ่งที่ดียนได้ฟังสรุเจ็บประเด็นตามสมควรไม่ต้องเอาเยอะเอาแค่ว่ารู้สึกตัวนะแล้วก็นำไปปฏิบัติเราก็ได้สัมผัสกับความจริงก็ขอให้การปฏิบัติธรรมของเรทั้งหลายนั้นหรือว่าการประพฤติประมาจันของเราทั้งหลายนั้นก็จะเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งความทุกชีวิตมีแต่ความสุขเกษมสาร ก็คือใจที่เป็นปกตินะโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนนั้นเธอ